เรื่รุ่นแรกๆเนะี่ยพวกเจ้าสำนักเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะนี่มาเขามีเวลาคุยด้วยรุ่นหลังๆพวกมาชวนคุยยาวๆนะไม่มีเรี่ยวแรงจะคุยด้วยแล้วนะไม่มีเวลาเลยจะต้องปล่อยนะหรคือถ้าภาวนาแล้วเราไม่ไปติดธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเนะี่ยการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ยังไม่ยาก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 นี so so in ator, no ่เจ you know, so so you know, ้าทิฐิพวกนี้ก็ช้าเพราะในสติปัฏฐานเนี่ยไม่มีคําว่าห้ามอย่างโน้นห้ามอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องนี้มีแต่คำว่าให้รู้ให้รู้กายให้รู้ใจแทนที่จะรู้กายรู้ใจก็อยานอย่างโน้นนี่ยทำอย่างนี้สิถึงจะถูกต้องอย่างนั้นถึงจะดีอย่างนี้ไม่ดีก็มุ่งไปเอาดีรู่ไปเอาถูกเอาสู่เอาสงบอะไรพวะนั้น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 ของจริงเป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งล้อมรวมเข้าด้วยกันเราเห็นอย่างนี้อ๋อถ้างั้นได้อนาคาฟังแล้วเออคาไปก่อนเอนะสู้ไม่ไหวละนะสติยังไม่เกิดเลยจะเาผ้าลหันจะเอาผ้า น, าผานาคานะแต่ว่าเรียนมามากผ่านสำนักโน้นสำนักนี้มามากเลยเถียงด้วยก็มีปัญหากระทบกระทั่งอะไรย่างเี้ยก็ปล่อยไปก่อน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 ในตัดสินความรู้กันภายในกระบวนการที่เกิดอริยมรรคก็มีนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่านั่งๆวูบปวสติตื่นขึ้นมาบอกบรรลุไปแล้วนั่นบรรลุโมหะไม่ใช่บรรลุอริยมรรคหรือนั่งๆอยู่มีอะไรระเบิดโปุง้งขึ้นไปทะลุหัวกะโหลกขึ้นไปบอกบรรลุแล้วเปหลงอาการของสมาธิทั้งสิ้นเลยนี่ยคีดว่าบรรลุ อาการของสมาถะของสมาธิเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ารู้ไม่เป็นเอาแต่เพ่งเพ่งกายเพ่งใจเพ่งนวนเพ่งนี <to> ้ก็เกิดอาการแปลกๆแล้วก็สำคัญผิดว่ากบรรู้มรรคผลนั้นถ้าเรียนรู้สึกตัวไม่เป็นก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้รู้สึกตัวเป็นรู้กายรู้ใจได้ก็ต้องรู้ให้เป็นอีกไม่ได้ไปเพ่งกายไม่ได้ไปคิดเรื่องกายไม่เพ่งใจไม่คิดเรื่องใจรู้กายเป็นยังไงรู้ว่ากายเป็นอย่างนั้นจิตเป็นไงรู้เป็นอย่างนั้น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 สบายมีความสุขทั้งวันเลยบอกว่าไม่มีสักยัติทิฐิไม่มีเพราะไม่ดูไม่ใช่ไม่มีเพราะไม่มีแล้ต้องค่อยๆเรียนนะฟังใช่ถึงถึงหลวงพ่อสอนทีแรกก็ไม่สอนตรงไปตรงมาแบบนี้นะต้องอ้อมๆก่อนกลัวถูกเตะเหมือนกันเดี๋ยนี้พอเราแก่แล้วพ่อคงใจอ่อนไม่ถึงก็เตะเราเชียพันส่งกันบ้าน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 บางคนถล่มจริงๆนะหล่มพังภาพไปตั้งหลายเดือนเลยไม่มีแรงลุกขึ้นมาภาวนาอีกขอจีพันธ์ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเครียดสงนี้แต่จีพันธ์มีอาการอันหนึ่งก็คือจิตไปอยู่นอกๆมันไม่ทวนเข้ามามันจะมีความสุขอย่างนั้นเลยไปค่อยสังเกตเอานะอย่างนั้นมันไม่เดินปัญญา จ, จริงว่ามันไม่เห็นทุกข์เพราะว่าหนูก็นั่งอยู่เนี่ยค่ะแล้วหนูก็อยู่ของหนูได้ไงคะ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 ตอนที่ไปเป็นผมสีพันธ์ก็สังเกตเอานะหลวพ่อนี่ไม่ได้เจาะจงกี่พันธ์คนเดียวหรอกอาการเนี้ยเป็นเยอะอด้วยอาชีพของหนูเนี่ยค่ะพอหนูมาอยู่วัดถึงวันที่ยี่สบหกตุลาใช่ไหมฮะมวันที่ยี่สิบแปดหนูก็กลับไปทํางานเนี่ยสภาวะเนี่ยเข้ามาตอนหนูสอนนักเรียนเลยค่ะเพราะด้วยอาชีพหนูมันจะอยู่อยู่ตรงนี้ไงคะ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 หนูก็เลยอยู่อย่างเนี้ยเพราะมันไม่มีคู่ไงฮะมันไม่มีคู่ที่จะมาคอยบอกไงฮะแต่รู้ตัวเองไงฮะถ้าเมื่อไรเนี่ยไม่เห็นความเกิดดับเนี่ยเมื่อนั้นไม่ได้จเจริญมีปั ส, สนาอยู่นะดูแค่นั้นโยมอยู่วัดไม่ชื่ออยู่วัดเหมือนกันกลาบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะได้เห็นความแตกต่างของการดูผิดตัวกับการดูถูกตัว คือเมื่อคืนนี้ง่วงง่วงแล้วก็ไปหลงดูตัวง่วง mm. โดยที่ว่าตั้งสติให้มัน่น mm. แล้วมันจะเป็นลักษณะเหมือนเราบีผู้โป่งอะค่ะ mm. บีบทางนึงมันก็จะไปโปองอีกทางนึง mm. มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาบีบๆจนกระทั่งคิดว่ามันเรียบร้อยแล้ว mm. แต่ปรากฏว่ามันถูกทับอยู่เต็มตัวเลย mm. ตอนนี้ก็มาแวบว่าเราดูผิดตัวต้องดูความอยากหายง่วง เ, <อ>เพอดูความอยากหายง่วงนะคะจิตมันจะเบาลอยขึ้น<อ>แล้วก็ความง่วงนี้ก็หายไปด้วย เ, <อ>เพราะว่าคิดว่าตัวง่วงเนี่ยมันไม่ใช่กิเลส ต, <อ>ตัวอยากหายง่วงเนี่ยมันเป็นกิเลสที่มีอัตตาแฝงอยู่<อ>แล้วเราไปดูผิดใช่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 ในขณะที่มีสติไม่มีเราในขณะที่ขาดสติเกิดเรามันจะเริ่มมีช่องว่างซึ่งไม่มีเราเกิดขึ้นบ้างแล้วนะเราดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจแจ้งขึ้นมานะตัวเราจริงๆไม่มีหรอกแล้วอยากจะกราบขอความเมตตาขอคำแนะนำที่จะต้องแก้ไขหรือว่าทำเพิ่มเติมเออไปลบคาว่าทาทิ้งซะน ะ, ะรนะเราไปติดคาว่าอยากทำให้ดีอยากทำให้ถูกใช่ไหมจะได้ผลเร็วๆเ ร, วเราไปชอบคาว่าทำอะ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 ตอนนี้ห่างวัดไปนิดนึงเพราะว่าสารัญญาหลานเขาทำงานนะคะก็ะแต่ปฏิบัติที่บ้านก็ยึดถือคำวาจาอาปาจานนะคะตอนนี้มันเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ร้นล้วนส่วนนี้พอเห็นนะคะว่าพอดีวัยมันเข้าด้วยค่ะให้ให้ทางว่าเห็นแต่จิตเป็นทุกข์ร้นล้วนเนี่ยมันมันไม่เห็น น, น่ะนไัไนไม่ต้องเห็นนะเห็นเห็นแต่มันเกิดดับ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 ถามทถึงขนาดเห็นจิตเป็นทุกข์นะก็คือจะเป็นท่าละหันละไม่เห็นนล้ค่ะกลับถามเพราะว่าเอาไว้เป็นความรู้ดูไปอย่างนี้นะะดูไปเลยนะแล้วดูให้ถึงฐานนะใจไม่ถึงฐานมันมันไปรู้อยู่นอกๆรู้สึกไหมันยังรู้อยู่นอกๆถ้าไม่เข้ามาถึงฐานนะมันจะเห็นทุกข์ไม่ได้ชัดเจนค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 เพีงพู้รู้แก้ยากที่สุดเลยติดกันเป็นปีๆถ้าอย่างงี้ก็ต้องรู้ไปแบบนี้สิคะเห็นทุกอย่างเกิดดับไปเห็นว่าตัวนี้ตั้งนิ่งๆอยู่รู้ว่าจิตนี้เที่ยวดูนอกๆไม่เคยดูตัวนี้ในขณะเดียวกันไม่จงใจย้อนมาดูตัวนี้ห้ามจงใจนะจงใจนี่แก้ยากที่สุดเลยปิดเป็นปีเลยถ้าเขาจะรู้ได้เขาจะรู้เองแค่เรารู้ทันว่ามันไม่ทวนเข้ามาแต่ถึงเวลามันทวนเข้ามาเอง